6.2 ธรรมะเป็นของง่ายวงเล็บเปิดห้าพฤศจิกายนส5 4 9าในวงเล็บสองจุดจุดนาที12งวงเล็บปิดที่จริงธรรมะนักของง่ายใครใคไปเรียนธรรมะกับพระพุทธเจ้าถึงกับอุทานบอกแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่าเหมือนเปิดของความให้หงายง่ายนะความความอย่างนี้จับหงายไม่ยากของเรามายุคนี้สับสนพระเจ้าค่ะยากกว่าที่คิดอ้างไปโน่นเสียอีก สมัยพุทธกาลมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไปชมว่าสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงไม่มีไปชมกับพระพุทธเจ้านะสาวกของพระองค์ซึมซึมพระเจ้าค่ะหน้าเลื่อมใสเพราะซึมไม่ได้ชมอย่างนั้นนะหรือสาวกของพระองค์เครียดดีพระเจ้าค่ะแสดงว่าจริงจังเครียดดีจังเลยไม่ได้ชมอย่างนั้นนะฉะนั้นถ้ามีสติขึ้นมาเราจะสวยแล้วก็ร่าเริงทําไมล่ะเพราะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุข